ปิดเสียงโทรศัพท์ก่อนนะนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวตรงตรง หน้าตรงๆจะหลับตาหรือลืมตาก็ได้ถ้หลับตาก็หลับเบาๆหลับเพียงตาแต่ใจตื่นใจตื่นนี่ก็คือมีความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวคือรู้ว่ากายเราขณะนี้เป็นอย่างไร หรือว่ารู้ว่าใจขณะนี้เป็นอย่างไรเวลาดูกายทองความรู้สึกอยู่ว่ากายนี้ทั้งก้อนนี้อยู่ในอิริยาบถนี้มันทำท่านั่งอย่างนี้อยู่สังเกตดูว่ากายที่กำลังนั่งอยู่ อยู่นิ่งๆ น, งนี่มันมีความเคลื่อนไหวหายใจเข้าเคลื่อนไหวแบบหนึง่งหายใจออกเคลื่อนไหวแบบหนึง่งความเคลื่อนไหวที่กายกำลังทําอยู่นี้เป็นไปตามปกติเราไม่ต้องไปแทรกแซงไม่ต้องไปบังคับเพียงแค่สังเกต รู้ตัวอยู่ว่าขณะ น, นี้กายนี้ก้อนนี้อยู่ในท่านี้ตอนหายใจเข้ามันเป็นแบบนี้หายใจออกเป็นแบบนี้มีสติรู้กายก็คือไม่เผลอไม่หลงไม่ลืม เผลอไปเพราะว่าขาดสติแสดงว่าจิตมันไม่ยอมอยู่ไม่ยอมดูกายเราก็รู้ที่ใจทีว่าใจมันเผลอไปรู้ความเผลอแล้วก็กลับมามาดูกายต่อเพราะกายนี้เป็นที่อยู่ของจิตดูกายเพื่อให้เห็นจิต คนยังดูจิตไม่ออกก็ดูที่กายไปก่อนเห็นกายหายใจไปเหมือนเฝ้าอยู่ที่บ้าน มันรวมไปจดจ่ออยู่ที่หนึ่งที่ใดก็ให้รู้ด้วยนคนจดจ่อที่จมูกบางคนจดจ่อที่ท้องเห็นการไหลรวมของจิตลงไปให้รู้ทัน เฉยๆไม่ห้ามแต่ก็ไม่เพ่งไม่บังคับ ไม่ห้าและไม่บังคับไม่ต้องออกแรงใจมันมีความสุขกับการอยู่ณจุดไหนมันก็จะอยู่จุดนั้นหายใจยังมีความสุขมันก็จะอยู่กับการหายใจมันไม่มีความสุขกับการหายใจมันจะคอยไปคิดให้รู้ทันความเผลอ แล้วก็มาดูกาย kind of kind of หายใจอย่างมีความสุขต่อมีความสุขในการดูกายนี้หายใจหายใจเข้าสดชื่นหายใจออกผ่อนคลายตามความรู้สึกตามธรรมชาติหายใจเข้ามีความสดชื่นหายใจออกผ่อนคลายดูกายนี้หายใจอย่างมีความสุข สังเกตดูวความเผลอเผลอไปให้รู้ทันความเผลอเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นกับจิตมีสติรู้แล้วก็ความเผลอก็ดับไปความเผลอดับไปแล้วอย่าปล่อยลอยก็กลับมาบ้านคือกลับมารู้ที่กายต่อ เห็นกายหายใจด้วยความรู้สึกตัว นความเผลอแว บ, บไปแว บ, บมาถ้าเรามีจิตอยู่ที่บ้านคือที่กายนี้เวลามันออกไปทา ง, งานเวลาจิตออกไปทา ง, งานอาจจะเห็นการเคลื่อนของจิตมันไหลไปแว บ, บไปจะรู้เลยว่าจิตทา ง, งานเอง มันไหลไป มาตั้งต้นที่กายบ่อยๆเห็นกายเคลื่อนไหวนั่งนิ่งนี้ก็เคลื่อนไหวกับการหายใจกายก็เคลื่อนไหวลมหายใจได้พาให้กายได้เคลื่อนไหวก็ดูความเคลื่อนไหวของกายจิตเคลื่อนไหวจิตทํางาน รู้ทันความเคลื่อนไหวการทำงานของจิตสนใจในการทำงานไม่ได้สนใจเรื่องราวไม่สนใจว่าเสียงอะไรเสียงใครหรือคิดเรื่องอะไรมาสนใจอาการของจิต จิตพอใจไม่พอใจจิตมันเคลื่อนไปทำงานไปฟังไปคิดสนใจอาการของจิตแต่ให้มีที่อยู่ไปก่อนให้จิตอยู่ที่กายเนี่ยกายกำลังหายใจอยู่ รู้ความเคลื่อนไหวของกายไปพอจิตทำงานรู้การทำงานของจิตรู้แล้วก็กลับมาที่อยู่อีกดูต่อ เหลือไปแล้วรู้ทำงานแล้วรู้พอรู้แล้วนะ่มีความพอใจไม่พอใจตามหลังมาก็้รู้ทันรู้แล้วดีใจรู้แล้วไม่ดีใจไม่ชอบใจ มันไม่เป็นกลางก็รู้ทันด้วยมันไม่เร้่องเฉยๆความชอบใจไม่ชอบใจที่ตามหลังมาแสดงความไม่เป็นกลางให้รู้ทันความไม่เป็นกลางนั้นด้วย เคลื่อนไหวเวลาจิตมันทางานมันจะแสดงความจริงคือมันทํางานเองเวลาดูจิตมันจะเห็นอนัตตาได้ง่ายหรือบางทีก็จะเห็นความไม่เที่ยงมันเกิดดับเร็วเดี๋วก็ไปคิดทางนั้นเดี๋ยวไปรู้ท้งนี้เดี๋ยวก็เผลอไปเดี๋ยวก็รู้ตัวรู้เองก็ดับ เผไปมีความรู้ตัวความเผยก็ดับให้รู้อยู่ที่กายเดี๋ยวเข้าไปที่นู้นที่นี่ความเกิดดับเปลี่ยนแปลงสติที่เห็นของจริงของจริงก็จะแสดงความจริงให้จิตดูมันไม่เที่ยงมันเกิดดับมันทํางานเอง จะมองแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งก็ได้เพียงแง่มุมเดียวจิตก็จะสลาดขึ้นถ้าดูกายมากๆกายก็แสดงความจริงอีกแง่หนึ่งคือมันเป็นทุกข์ความทุกข์ของกายก็คือไม่ใช่แค่ทุกข์กระเวทนาแต่เป็นความทุกข์ที่ตั้งอยู่นิ่งไม่ได้กายนี่เอาจริงๆแล้วนิ่งไม่ได้ เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหายใจเข้าหายใจออกนิ่งไม่ได้ถ้านิ่งคือคนตายแม้คนตายเองศพเองก็ไม่นิ่งมีความเน่าเปื่อยผุพังกายที่หายใจอยู่นี้ยังมีชีวิตอยู่นี้ก็แสดงความไม่นิ่งความทนอยู่นิ่งไม่ได้มันจะถูกธรรมชาติบีบคั้น ให้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นสภาวะที่เป็นทุกข์ลักษณะความเป็นทุกข์คือความทนอยู่นิ่งไม่ได้ถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงไปนี้กเรยียกว่าเกิดปัญญาจะดูกายก็เกิดปัญญาจะดูจิตก็เกิดปัญญาขอเพียงมีสติรู้มันตรงตรง ไม่บังคับมันไม่บิดเบือนมันรู้ตรงๆงเมื่อรู้ตรงๆงแล้วจุดที่แสดงความรู้ตรงๆก็คือว่ารู้แล้วไม่ไม่แทรกแซงรู้อย่างเป็นกลางแต่ถ้ามันไม่เป็นกลางมันอดที่จะดีใจเสียใจ อดที่จะชอบใจไม่ชอบใจกับสิ่งที่รู้แล้วให้รู้ถันความไม่เป็นกลางนั้นด้วยความไม่เป็นกลางมาจากที่ว่ามาจากที่ว่า จิตไม่ยอมรับความจริงเห็นความจริงแล้วแต่ไม่ยอมรับก็ความจริงให้ดูบ่อยๆจนใจมายอมรับได้ก็คือเจริญสติรูร้ตัวรู้กายบ้างรู้จิตบ้างเอามันดูบ่อยๆดูแล้วยังไม่ยอมรับก็ให้ดูอีก จนจิตมันยอมรับความจริงเกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาขั้นแรกจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงบ้างมันเป็นทุกข์บ้างหรือมันไม่ใช่เราบ้างเห็นกายไม่ใช่เราแต่ยังไม่เห็นจิตว่ามันไม่ใช่เราก็ดูจิตต่อดูด้วยสติ เอาของจริงมาดูดูด้วยความเป็นกลางและแม้มันไม่มันไม่เป็นกลางก็รู้ตามตรงว่ามันยังไม่เป็นกลางพอมันหลักฐานพอแล้วจิตจะสรุปเป็นปัญญาขึ้นมาว่าแม้จิตนี้เองก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตน เป็นเพียงสภาว่าอันหนึง่งมีสภาพรู้ไม่ใช่เราและไม่ใช่ใครหน้าที่ของเราเพียงหาสร้างเหตุให้จิตเกิดปัญญา มาเรียนพระพุทธศาสนาก็เพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นว่ากายนี้เป็นเราหรือใจนี้เป็นเราเป็นความเห็นผิดมาเรียนพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดความเห็นถูกความเห็นจะถูกได้ เมื่อมีสติมีสมาธิมีปัญญาประกอบกันทำความรู้ตัวที่กายเห็นของจริงในกายทำความรู้ตัวที่ใจเห็นของจริงที่เกิดกับใจเห็นใจเคลื่อนไหวเห็นความไม่ตั้งมั่นของใจเกิดสมาธิขึ้นมามองในแง่มุมที่เป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดปัญญาขึ้นมาหน้าที่ของเราก็คือ ทำให้เกิดปัญญาเมื่อมีปัญญาขึ้นมาความเห็นตรงก็จะเกิดขึ้นความเห็นตรงขั้นแรกที่เป็นปัญญาที่เป็นปัญญาขั้นพระอริยก็คือเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราเป้าหมายของการเจริญภาวนาศึกษาพุทธศาสนาเพื่อมาถึงให้ได้ถึงจุดนี้เป็นอย่างน้อยเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรา สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสำหรับเช้าวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก่อนจะออกจากการเจริญกรรมฐานในริยาบทนั่งนี้ทำความลดตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำความจดจ่อที่สองช่องจมูกสูดลมให้ใจเข้าไปลึกๆรู้สึกตัวขึ้นมา หายใจเข้าลึกๆรู้สึกตัวขึ้นมาแลมวทำความรู้สึกที่มือขวาค่อยๆเคลื่อนมือขวามาคว่ำที่เข่าด้านขวามือเคลื่อนไปมีใจรู้ทำความรู้สึกที่มือซ้ายค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาคว่ที่เข่าด้านซ้ายมือเคลื่อนไปมีใจรู้องความรู้สึกที่มือขวาคอยๆยกมือขวามาเตือนปนมื อ, image, อมที่หน้อา eyes, อก ทำความรู้สึกที่มือซ้ายยกมือซ้ายมาประกบปนมมือเป็นดอกมัวตูมนึกถึงบุญกุศลการปฏิบัติกรรมฐานเจริญกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นสมถะกรรมฐานที่ปัสนากรรมฐา น, ก, รรฐานการปฏิบัติอันใดที่เราได้ทําแล้วขอให้การปฏิบัตินี้เป็นการปฏิบัติบูบชาแด่พระรัตนตรยัยบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์ บูชาคุณครูบ า, าจารย์ที่ประสิทธิประสานวิชารักษาคำสอนของพระพุทธองค์ส่งมาถึงพวกเราจนถึงวันนี้น้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอย่างนี้แล้วก็ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีพระพารานามัยแข็งแรงสมบูรณ์เป็นร่มโพร่มใส แก่ผสมนิกรชาวไทยเป็นศาสนาประถมพบปกปักรักษาพื้นแผ่นดินและศาสนาเอาไปให้ลูกหลานสืบไปอุทิศบุญกุศล น, นี้ให้กับหมู่ญาติของเราให้กับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิสายทั้งหลายทั้งในชาตินี้และชาติในอดีตทุกๆชาติไปแผ่บุญกุศลให้กับเหล่าเทพ ย, ายดาที่ปกปักรักษาพวกเราอยู่ก็ดี ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ให้ดีและเหล่าเทวดาที่อยู่ในกลุ่มของพระสยามเทวาธิราชให้เทวดาเหล่านั้นจงมีพลังปกป้องรักษาคนดีให้พื้นแผ่นดินนี้มีคนดีมีกําลังในการทํางานมากขึ้นแผ่ไปถึงกับสัตใดที่มีทุกข์อยู่ โอปาติกะผู้ใดที่มีทุกข์จงมารับรู้บุญกุศลที่เรากําลังแผ่ให้อยู่นี้จงมีจิตสมนัตยินดีอนุโมทนาบุญที่เราอุทิศให้นี้ถ้าท่านมีทุกข์อยู่ขอให้เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปสู่สุคติท่านใดที่มีสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งย่งขึ้นไปเราทั้งหลายในที่นี้ก็จะตั้งใจอธิษฐานของแต่ละคนจะตั้งมันอยู่ในคุณงามความดีประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธองค์ จนมีปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนอธิษฐานเสร็จแล้วก็ยกมือขึ้นจอบที่ศีรษะแผ่เมตตาพร้อมกันอีกครั้งสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวนแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอพพยาปชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอันนี้ค่ะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขิอัตตานังบริหารตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เอิญ